สี่ปัญญาพิสันทวรักหมวดว่าด้วยห่วงบุญกุศลหนึ่งปธรรมปัญญาพิสันทสูตรว่าด้วยห่วงบุญกุศลสูตรที่หนึ่งหนึ่งพัเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิสูตทั้งหลายห่วงบุญกุศลสี่ประการนี้นำสุขมาให้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 นี้เป็นห่วงบุญกุศลนำสุขมาให้ประการที่สี่ภิกษุทั้งหลายห่วงบุญกุศลนำสุขมาให้สี่ประการนี้ปัทมะปุญญาพิสันทสูตรที่หนึ่งจบ 2. ทุติยปุญญาพิสันทสูตรว่าด้วยห่วงบุญกุศลสูตรที่สอง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 มีใจปราศจากความตรณีอันเป็นมนทินมีจากะอันสลัแล้วมีฝ่ามือชุ่มยินดีในการสละควรแก่การขอยินดีในการให้ทานและการแจกทานอยู่ครองเรือนนี้เป็นห้วงบุญกุศลนำสุขมาให้ประการที่สี่ภิกษุทั้งหลาย ห่วงบุญกุศลนำสุขมาให้สี่ประการนี้ทุติยปุญญาพิสันทสูตรที่สองจบสามตาติยะปุญญาพิสันทสูต ร, ตตญญตรว่าด้วยห่วงบุญกุศลสูตรที่สามหนพิกภิกษุทั้งหลาย